พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่อีกหนึ่งสัปดาห์นะคะของรายการสันสนีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM ฟเอร้แห่งนี้ค่ะซึ่งมีท่านพระมหาภัยบูรอาภิปุลโนนะคะเติมท่านมหาเข้าไปเพราะว่าท่านได้สิทธิ์และสักิศักและสิทธิ์จากการที่สอบผ่านบาลีเปรี่ยนสามประโยคเรียบร้อยแล้วพเพื่อที่จะได้ทําให้พวกเราทั้งหลายนั้น ได้เข้าถึงธรรมที่ท่านสามารถเข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจากการเข้าใจภาษาบาลีก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เราน่าจ ะ, ะยินดีนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าต้องใช้คำว่าอะไรนะถึงจะเหมาะสมสำหรับประสงค์แสดงความกราบ น, นมส ก, การยินดีไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปถามท่านไปบูญกันลกันนะคะว่าอะไรจะถูกต้องเหมาะสมมากที่สุดคะ่ะ ท่านก็จะมานําพวกเราปฏิบัติธรรมในตอนต้นของรายการในแต่ละวันเลยด้วยทําให้ใครที่ฟังรายการนี้ได้กํำไรนะคะท่านไม่ต้องอไปหลีกเล้นในระหว่างที่ยังไม่พร้อมที่จะไปหลีกเล้นก็สามารถกระทําเสมือนได้รับการหลีกเล้นได้ด้วยตัวท่านเองนะนาทีอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้ไปนะคะกราบนมัส ก, การค่ะท่านคะเดิญพรในเรื่องของการปฏิบัติ แล้วก็คือให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจสติก็คือการระลึกได้ให้เราเอาจิตของเรานั้นมาตั้งเอาไว้ให้อยู่กับอรมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอย่างเป็นธรรมชาติเวลาที่เราระลึกถึงลมหายใจนี้เราไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องแต่งลมให้สั้นหรือให้ยาวแต่ให้รู้ณที่ตำแหน่งหนึ่งนั่นคือตำแหน่งที่เราพอจะระลึกรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้สัมผัสในที่นี้อาจจะเบาบ้างแรงบ้าง ก็เป็นธรรมชาติในบางเวลาระหว่างวันลมหายใจอาจจะแรงบางช่วงเวลาอย่างเช่นตอนเช้าลมหายใจอาจจะเบาลงหรือว่ายาวขึ้นแม้ว่าจะเป็นลมหายใจที่เป็นประเภทไหนให้เราฝึกในการที่จะให้มีสติอยู่กับลมหายใจเวลาที่เราฝึกสติอยู่กับลมหายใจอย่างนี้แล้วจะมีประโยชน์หลายอย่างและหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่เราได้ฟังสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตาม จีก็เราก็จะไม่แปรปรวนพระเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้ในเรื่องของถ้อยคำที่บุคคลจะมีการามากล่าวถึงเรากล่าวหาเราได้ตรัสไว้กับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำสําหรับบุคคลอื่นที่จะพึงกล่าวหาเธอมี5อย่างคือกล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การกล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริง กล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคายกล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนี้ในกรณีนั้นๆเธอพึงทำการสำเนียงในใจอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจารเป็นบาป เราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่คือจะมีจิตประกอบด้วยเมตตาแพร่ไปยังบุคคล น, นั้นอยู่และจะมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันเป็นจิตไปบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแพร่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคล น, นั้นเป็นอารมณ์ คือเปรยเหมือนบุรุษที่ถือจอบและบุ้งกีมาแล้วจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินเขาจึงขุดอยู่ในที่นั้นๆเรียรายดินอยู่ในที่นั้นๆคากถุยอยู่ในที่น้ำนั้นกระตืบเท้าอยู่ในที่นั้นๆปากพูดอยู่ว่ามึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไปมึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไป ที่สุดทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าขาเพราะเหตุว่าแผ่นดินนี้ลึกหาประมาณไม่ได้ไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะทำให้ไม่เป็นแผ่นดินรังแต่บุรุษผู้นั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลาบากขับแค้นเสียเปล่าพระเจ้าข้า พิสุทั้งหลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันในบรรดาทางแห่งถ้อยคำสำหรับการกล่าวหาทั้ง5้าอย่างนั้นถ้าเขากล่าวหาเธอด้วยถ้อยคำประการใดประการหนึ่งเธอพึ่งสำเนียงใจอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจารเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลประกอบด้วยเมตตาในภายใน มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคล น, นั้นอยู่อันเป็นจิตภัยบณ์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิต่างโดยมีบุคคล น, นั้นเป็นอารมณ์คือมีจิตเหมือนแผ่นดินอันใครๆจะกระทบกระทั่งให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉะนั้นเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้และในการที่เราจะทำในลักษณะ ที่ให้จิตเหมือนเป็นดินได้นั่นคือใจของเรานั้นจะต้องเป็นใจที่มีสติตอยู่กับลมหายใจอย่างนี้เวลามีสิ่งใดมากระทบก็จะไม่แปรปรวนจเจริญพร น, นค่ะสาธุค่ะานฝั่งค้าและนี่ก็เป็นบทเรียนชนะที่จะให้เรารู้จักวิธีวางใจเวลาใครเข้ามาพูดกับเราในลักษณะที่ทั้งน้าฟังไม่น่าฟังใช่ต้องบอกว่าน่าฟังด้วยถูกไหมคะเพราะว่ามีบางตอนบอกว่าพูดด้วย เรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องที่มีเมตตาอืมถูกต้องค่ะท่านค่ะค่ะตรงนี้ก็คือหมายความว่าเราต้องฝึกสตินั่นเองล่ะค่ะซึ่งดิฉันฟังตามมาเรื่อยๆตอนที่ท่านพระพุทธองค์ใช่ไหมคะอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสใช่ใชเป็นพุทธพจ์ที่คนจะมาบอกว่ากระทืบเท้าไปบนแผ่นดินแล้วบอกว่าจะทําให้เองเนี่ยแผ่นดินเนี่ยไม่เป็นแผ่นดินอืมกไหมคะใช่แล้วอท่านก็ได้กล่าวว่าอ่าแผ่นดินก็ไม่ได้หาจะต้อง ไม่ได้เป็นแผ่นดินตาป่าของคนคนนั้นไม่อืมไม่มีทางเป็นไม่ได้เลยค่ะที่ฉันยังนึกตามเลยคะว่าโอ้โหมันยากนะที่จะทําใจเชื่ออย่างนั้นแต่พอท่านพูดถึงเรื่องว่าต้องตบท้ายด้วยการฝึกสติอันเนี้ยสําคัญที่สุ อ, อซึ่งฐานที่ตั้งของจิตของเราคือสติอยู่ที่ว่าเราผูกไว้แน่นขนาดไหนเราฝึกไว้มั่นคงขนาดไหนนั่นเองค่ะคือถ้าไม่ฝึกสตินะจะยับยั้งไม่ทันนะคะยังคิดว่าไม่ได้เลยใช่ อันนี้ก่อนที่จะไปถึงประเด็นต่อไปในเรื่องเกี่ยวกับพระสูตรนี้เพราะมั น, มนแตกลูกได้หลายอย่างถึงประเด็นที่คุณยมติวพูดเมื่อสักครู่เกี่ยวกับว่าตัวอาตมาเองเนี่ยมีความรู้ภาษาบาลีในขั้นใดขั้นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ทําให้ทางหน่วย ง, งานราชการเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นพระมหาลักษณะนั้ น, ใ, ใ, นในการในการที่ใจแสดงความยิน ด, ดีเนี่ยอาตมาคิดว่าที่เหมาะสมเนี่ยนะสำหรับภิกษุเนี่ยเพราะว่าภิกษุเนี่ยเป็นผู้ป ฏ, ฏิบัติตัวไ S 1> <S 1> <S <S สิ่งที่พระเจ้าให้ยกย่องภิกษุก็คือเป็นพู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เพราะนั้นในเรื่องนี้เป็นลักษณะการปฏิบัติของอาตมาเองเหมือนกั น, นคือที่ว่าเราทําดีเราพยายามศึกษาให้มันเข้าถึงรากศัพท์ให้เข้าถึงคําที่เป็นพุทธพจน์ในส่วนไหนๆเนี่ยอันนี้ก็คือการปฏิบัติดีในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะอนุโมทนากันก็อนุโมทนาได้นะอาตมายินดีขอใช้คําว่าอนุโมทนาใช่ใช่นะ่าจะเป็นคําที่ถูกต้องนะคิดว่า ทุกครัก็ขออนุญาตที่จะกราบนมรสการอนุโมทนานะคะท่านคะท่านฟัง <sh arp> พเพราะว่าดิฉันเองก็คิดว่าถูกต้องที่สุดที่เราต้องเข้าใจภาษาซึ่งเป็นรากที่มาของความรู้นั้นๆใช่ใช่เพื่อความลึกซึ้ง <Ừ. S 2> ค่ะท่านฟังที่ครบรับประเด็นที่ท่านเพยบูลได้กล่าวในที่นี้คิดว่าจะมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากสําหรับพระสูตรเรื่องการได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจนะคะ ใช่ก็คืออันดับถัดมาเราเอาวิเคราะห์ไปตีละขั้นตอนก่อนนะว่าจะที่จะมากล่าวหาเราพระรูปช า, าใช้คำนี่คำว่ากล่าวหาเนี่ยหมายถึงว่ากล่าวเสร็จปุ๊บเราจะมีอารมณ์ขึ้นลงตามวาจานั้นนะอารมณ์ขึ้นลงตามวาจานั้นนะทีนี้บางทีเนี่ยเอาเราพูดถึงอารมณ์โกโรธกันเพราะว่าบางทีส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนั้นนะถูกใครพูดเรื่องจริงนะคุณยมตีร ง, งพิจารณะนะโดยเรื่องจริงนะแล้วก็คนพูดเนี่ยก็มีจิตเมตตาด้วย แล้วก็เรื่องที่พูดเนี่ยก็พูดโดยถูกเวลาแล้วก็คนพูดเนี่ยก็มีวาจาอ่อนหวานนั้นแล้วเรื่องนั้นถ้าเราปรับปรุงตัวได้เราจะเป็นคนดีขึ้นมาเนี่ยคือดีหมดเลยนะห้าอย่างหมดเลยดีหมดเลยนะบางทีเราก็โกรธนะถูกต้องค่ะบางทีเราก็โกรธนะโดยเฉพาะคนถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่น้องเป็นสามีภรรยาเป็นเจ้านายฉุนกึก คนที่ใกล้ตัวเรานี่แหละมันจะมาทดสอบค่ะอืมนะมันจะมาทดสอบเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ในตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเั้นจิตเธอต้องไม่แปรปรวนนะนะจะกล่าวว่าจะเป็นบาปไม่ได้เลยอันนี้เรากําลังรวมถึงถ้าเขากล่าวด้วยเรื่องไม่จริงด้วยนะแล้วก็ด้วยจิตคนพูดเนี่ยโห่พ่นไฟเป็นปากมีโทรสาวมาเนะเรื่องที่พูดนั้นก็ไม่มีประโยชน์นะเวลาก็ไม่ถูกเวลาด้วยเป็นคำหยาบคายด้วยเนอะเรื่องไม่จริงด้วย นะแล้วถ้ามีคนกล่ายอย่างนั้นเราก็ต้องไม่โกรธเหมือนกัน <คะ S 1> ก็ต้องไม่โกรธถามว่าถ้าคุณจะทําจิตเนี่ยในอุปมาอุปไม้ที่พุทเจ้ายกถึงเนี่ยก็คือเหมือนดินอันหนึ่งนะเหมือนดิน <คะ S 1> ที่ใครมาจะมาทําให้กระทบกระทั่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยอันนี้อันหนึง่งนะเราก็เหมือนกับอากาศนะที่ถ้าใครจะไปเอาสีไปทาอากาศให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวบุคคลอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้คื อ, คอถ้า <คะ S 1> เขาจะเอาสีไปวาดบนแผ่นเขาเรียกแผ่นแคนวาสนะ อ่าเป็น <Okay. S 1> รูปภาพอะไรต่างๆออกมาเนี่ยอันนี้มันได้เพราะว่ามันเป็นแผ่นผ้าแต่ถ้าเขียนบนอากาศมันไม่ได้ <Okay. S 1> อ่าเขามีเทคนิคอันหนึ่งคุณโยมติวที่ามาเคยเห็นคือเขาเอาฉีดน้ําขึ้นไปแล้วก็เอาเลเซอร์ยิงใช่มัน <Okay. S 1> เหมือนเป็นภาพลอยอยู่บนอากาศแต่นั่นก็ไม่ใช่บนอากาศนั่นคือบนน้ำเ <Okay. S 1> นี่ยใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ทําเหมือนกับอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าอากาศมันเป็นสิ่งที่จะมีรูปปรากฏไม่ได้ <Okay. S 1> ก็คือทําจิตให้เหมือนดิน นะสองทำจิตให้เหมือนอากาศนะแล้วถ้าสาทำจิตให้เหมือนน้าเป็นยังไงนะคือน้ําอย่างแม่น้ําคงคาแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยคนจะเอาไฟไปเผานะให้มันเดือดพร่านร้อนจัดเนี่ยนะด้วยความที่มันอยู่ในแม่น้ำเนีเน่ยมันทําไม่ได้เลยเไม่สามารถทําไดนะ้เพราะว่าน้ํามันเยอะมากนึกออกนะเพราะฉะนั้นเราจะทําจิตยังไงให้จิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนดินเหมือนอากาศเหมือนน้าอย่างนี้เป็นต้นจิตเราต้องเป็น ในคำที่นี้เขาใจกัว่ามหากตะคือเป็นจิตที่แบบหาประมาณไม่ได้นะเป็นยังไงหาประมาณไม่ได้ก็คือมีกำลังมากมีกำลังมากก็คือเหมือนกับแน่นไม่ไหวตึงเหมือนเสายาวสิบหกศอกเนี่ยฝังลงไปในดินลึก8ดศอกลมทางเหนือใต้ออกตกสะพัดเนี่ยมันไม่กระเทือ น, นคือจิตเราต้องผูกไวอ้อย่างดีผูกไวอ้อย่างดีถามว่าผูกไว้กับอะไรล่ะปกติคุณโยมติ๋วผูกจิตไว้กับอะไร ผูกจิตด้วยการลมหายใจถูกต้องเนี่ยแหละที่เราฝึกกันมาตั้งแต่ตอนแรกนี่เองน ะ, ะจิตของเราต้องอยู่กับลมหายใจใช่อยู่วันที่เรารู้ลมหายใจเราก็รับรู้ทั้งหูบ้างคิดการงานบ้างมันต้องมีเชือกมันก็จะมีปลาย2อง้างใช่ไหมปลายข้างหนึ่งไว้ที่จิตปลายข้างหนึ่งก็เอาไว้ที่กัลมหายใจอย่างนี้มันก็พอจะไปได้นะท่านคะขอประธานโทษนะคะเดืบคือดิฉันเข้าใจว่าคงจะมีคนที่ฟังรายการนี้ยอยู่เป็นจํานวนมากทีเดียวที่อาจจะบอกว่าไม่เคยไม่จําเป็นต้องผูก จิตเอาไว้กับลมหายใจก็ทำได้เวลาใครพูดอะไรเนี่ยระงับยับยั้งอารมณ์ได้ท่านพวกนี้ถือว่าเป็นคนที่มีสติดีอยู่แล้วถูกถูกต้องถูกต้องแต่นี้<ส>เขาจะผูกสติไปที่ไหนไคะท่านคะยุคธรรมยุธรรมะนะในสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยคือฐานที่ตั้งแห่งการลึกถึงใช่ ค, คนที่จิตไม่ไหวติงเนี่ยก็คือมีผัสสะมากระทบแล้วมันจะพุ่งเข้าหาจิตใช่หมจิตเนี่ยมันต้องมีสติเป็นที่ กรียกว่าที่รักษาถ้าไม่มีสติปุ๊บมันก็จะไปแสดงว่าเขาต้องมีสติอย่างใดอย่างหนึง่งแต่คุณยมติวบอกว่าเอ๊ะเขาอาจจะไม่ได้เห็นลหมหายใจหรอกแต่ว่าเขาก็ยับยังได้แสดงว่าเขาก็มีเครื่องมืออย่างอื่นนะซึ่งในที่นี้ทาไมาคิดว่าเป็นเรื่องของธรรมในธรรมอ่าก็คื อ, อมีความนิ่งอยู่ในใจอยู่แล้วก็อยู่กับความนิ่งตรงนั้นนะได้มากระทบกระเทือนกระทั่งมันก็ไม่ไม่ไหวติง่งอืเป็นยังไงค่ะเพราะที่ฉนเชื่อว่าบางคนที่ได้รับการอบรมมาแบบพื้นๆว่ะอ่าเข้าดายดาตอบอืม ถ้าเราดาตอบเราจะแย่กับคนที่ดาเราสมมุตินะคะใช่อคนพวกนี้ก็เลยจะเป็นผู้ที่ฝึกฝึกไว้ตั้งท่าและสถานการณ์นี้โดนดาแน่เดี๋ยวฉันตั้งท่าล้วดาฉันมาฉันจะนิ่งใช่อันนี้ถือว่าเป็นคนมีธรรมถูกต้องถูกต้องก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งเห็นเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมนั่นเองเห็นธรรมในธรรมคือฟังดูถ้าทําจิตอย่างนี้ได้ก็เป็นผู้ที่ได้บุญแล้วสิคะท่านคะถูกต้องได้บุญขนาดที่เรียกว่า สมมติทำได้แค่ชั่วลัดนิ้วมือนึงหรือว่าชั่วสูดลมหายใจเข้าหรือชั่วแค่กริบตาก็ยังได้บุญมากกว่าเวลาที่เรารักษาศีลเป็นหลายๆร้อยเท่าค่ะแม้เราจะไม่ได้ตั้งใจว่าการที่เรามีสติเช่นนี้เรากำลังทำบุญทำกุศลปฏิบัติธรรมอยู่ก็ตามทีอย่างนั้นหรอคะตรงนี้มันเป็นเป็นเจตนาอยู่แล้วนะแต่เพราะว่าถ้าใจเนี่ยยังมีมีเขาเรียกว่า มีอวิชชาอยู่เนี่ยการกระทําใดๆตรงนี้มันเป็นมันเป็นเจตนาอยู่แล้วอค่ะเจตนาของเขาตรงนั้นเป็นอัตโนมัตินะเพรา ะ, ะว่าเหมือนกับว่าเขาตั้งจิตเอาไว้อยู่คือมันเป็นฐานตั้งไว้เลยนะ่ะมันเป็นมั่นคงอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ที่ท่านภัยบูรนําเอามากล่าวดิฉันเข้าใจว่าจะใช้ในกรณีคนที่มีปัญหาเลยยังไม่อยู่อืยังไม่อยู่อย่างนี้ก็คือต้องฝึกสติอย่างที่ว่า สติเนี่ยมันเป็นมันเป็นสกิลนะคุณโยมติว๋วเป็นทักษะคูณงนี้ดีกว่านะเป็นทักษะเหมือนอย่างเช่นทักษะการขับจักรยานยนต์ทักษะการขับจักรยานหรือว่าทักษะทางภาษาอย่างเงี้ยแต่ก็เราฝึกอยู่เรื่อยสฝึกอยู่เรื่อยเนี่ยมันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นยังไงก็ต้องดีขึ้นมีไหมคะที่ฝึกแล้วไม่กระเตื้องเลยฝึกผิดทําไม่ถูกค่ะพวกที่ฝึกผิดทําไม่ถูกเนี่ยก็นอกจากไม่กระเตื้อแล้วอาจจะถอยหลังด้วย งงค่ะ <Okay. laughs> งั้นรบกวนท่านช่วยกรุณาบอกวิธีที่ถูกแบบเอาชนิดที่ไม่ต้องมีความระแวงองะไรคะสงสัยความเคลือบแคลงความเห็นแย้งค่ะคือควิจิกิจาตรงนี้พระเจ้าได้กําหนดบทพิชิตนาในเรื่องของการระลึกถึงเนี่เอาไว้อย่างดีคือเราตั้งสติเอาไว้เปพาะหน้าถต่ว่าเอา้ยอันนี้มันจะเป็นสัมมาสติหรือมิจฉาสติก็แนนะ่คือเราก็ต้องมีมิจฉาเราก็ต้องเอามิจฉาทิฏฐินี่ออกไปก่อน นะเพราะว่าไอ้ความรู้ที่เรารู้อันนี้เป็นสัมมาสตินะอ น, นี้เป็นมิจฉาสตินะความรู้นั้นเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเหนื่อเนื่อนะคือคุณรู้ว่าไอ้คุณต้องทําอันนี้ถึงจะดีไอ้อันนั้นไม่ควรทำํำนะความรู้นี้เป็นเรื่องทิฏฐิที่ถูกต้องแต่นะเพราะนั้นถามว่ า, าสัมมาสติกับมิจฉาสติเนี่ยมันก็ต่างกันตรงที่ว่า เ, าเวลาที่เราใช้ลมหายใจนะคุณใจเพื่ออะไรนะคือเพื่อให้จิตเรามีฐานที่ตั้งในการที่จะทํากุศลธรรม นะเอากุศลธรรมเป็นบาดฐานอันนี้ดีนะเพราะฉะนั้นเราก็คือตั้งเอาไว้ที่เราหายใจแลนะ้เราหมายใจนี่เป็นมาตรฐานอย่างดีละนะเวลาที่เรากําหนดจิตเนี่ยเราก็ให้มาระลึกถึงที่จุดเดียวนะแล้วเวลาที่เราระลึกถึงเราไม่ต้องตามลมนะความคิดนึกอะไรผันพานก็อย่าไปกังวลใจนะเพราะว่าความกังวลตรงนั้นก็จะเป็นนิวรณ์อีกนะบางทีเราทําได้บางทีเราเผลอสติไปลืมไปหนะลงลืมไปเราก็ อย่าให้มีความกังวลอย่าให้มีความน้อยเนื้อต่ําใจอย่าไปคิดว่าฉันมันบุญน้อยวาสนาน้อยเพราะความคิดพวกนั้นเป็นอกุศล น, นจะเป็นเข้าข่ายในกษณะที่เป็นความคิดไม่ดีแต่เราก็เอาวางความคิดพวกนั้นไว้แต่เราก็ให้มันอยู่กับลมาใจของเราทําได้อย่างนี้เนี่ยมันจะทําได้สั้นๆบางคนก็ทําได้แป๊บเดียวใช่ไหแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเราอย่างในหนึ่งชั่วโมงบางคนที่ฝึกเนี่ยเอาแค่สาบนาทีพอแต่บางทีทําได้แค่2นาที ในะช่วงที่จะมาอยู่กับลมหายใจจริงๆได้แค่2นาทีในะอีก28นาทีนี่คิดบ้าบอวุ่นวายลืมลมอะไรต่างๆไปนู่นหมดเลยไหนะทีนี้ทํำยังไงนะคือถ้าเราเลิกทําไปเลยเนี่ยสนาทีเราก็ไม่ได้นะแต่ว่าเราจะทําไงให้2นาทีนี้มันค่อยขยายไปขยายไปเราก็พยายามดูสังเกตจิตของเรานะครูเชาเคยยกตัวอย่างตรงเรื่องนี้เหมือนกับพ่อครัวที่ฉลาดนะว่ารู้จักฉลาดในการใช้เครื่องปรุงรู้จักว่าไอ้คนกินเขาชอบรสอะไรนะทำยังไงเนี่ย ก็จะทำให้การปรุงไอ้ตรงนั้นเนี่ยรสชาติตรงนั้นมันดีขึ้นมาเขาก็จะได้ค่าจ้างหลังวันเนีย่ยไม่แต่ไอ้ตรงช่วง2องนาทีเนี่ยเราต้องรู้ว่าไอ้จิตเราวางไว้ยังไงนะมันถึงได้นะเราต้องรู้จักสังเกตจิตของเราตรงนี้นะเป็นทักษะที่ค่อยฝึกไปฝึกไปนั่นเองนะคะก็คล้ายๆกับที่ชวนท่านมาฝึกในช่วงต้นของรายการแล้วพระอาจารย์ได้อ่านพระสูตรให้ฟังด้วยใช่ใเหมือนกันเลยนะคะเป็น เป็นเกราะที่จะป้องกันใครที่คิดว่าสติตัวเองยังมาช้านี่คือวิธีจะฝึกและทําให้เกิดความชํานาญที่ทำเป็นสกิลฝึกได้ใช่ฝึกให้ถูกต ร, ตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับอีกประนส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับว่าสติเนี่ยจะเกิดได้ก็เป็นผลของความเพี่ยนนะความเพียนคือวายามะหรือวิริยาเนี่ยถ้าทําแล้วทําให้มากแล้วสตินะก็จะตั้งขึ้นไดนะ้มันเป็นตรงนี้เป็นอินรียนะ์อย่างเรามาฟังธรรมเนี่ย คุณฟังทำคุณก็จะมีศรัทธาใช่ไหมมีศรัทธาแล้วก็จะมีความเพียรมีความเพียรก็จะทําให้เกิดสติสติแล้วก็จะทำ้มีสมาธิมีสมาธิแล้วก็จะเห็นตามจริงเกิดปัญญาได้เป็ น, น, เ, ปนเป็นก็เรียกว่าอินทรี่ห้าพระ5้าตรงนั้นเป็นขั้นตอนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ย้ําด้วยคําสอนของพระพุทธองค์เหมือนกันว่าความเพียรสําคัญมากต่อการที่จะทําให้เกิดสติใช่แล้วเรื่องการพูดเรื่องวาจาอ่าคือตรงนี้เรากําลังพูดถึงว่าคนหนึ่งเขาพูดใส่เรานะคนหนึ่งเขาพูดใส่เรา เวลาที่เขาพูดใส่เราเนี่ยอนอกจากที่ทําจิตของเราให้เหมือนกับแผ่นดินให้เหมือนกับน้ําให้เหมือนกับอากาศแล้วเนี่ยพระรูปเจ้าก็ยังเคยยกออกมาว่าเราพิจารณาไอ้สิ่งที่มากระทบเนี่ยโดยความเป็นาธาตุก็ได้คือลม <c oughs> ปากของคนเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้คือเสียงมันผ่านลมมาถึงหอเปล่าเราไม่ได้ยินเสียงของด้วยความเป็นเสียงจริงๆด้วยซ้ำลมเนี่ยเป็นกระแสะสั่นสะเทือน้ามากระทบแก้วหูใช่ไหม แล้วก็มีกระดูกเ<อ>ขาเรียกกระดูกอะไรสามชิ้นนะคุณโยมติว๋วคอนทั้งกลนคะ่ะเออคอนทั้งโกลนเนี่ยมันก็สั่น ส, สนะเทือนน้ำแปลงเป็นกระแสะไฟฟ้าเข้ามาในสมองเราจริงๆเราไม่ได้ยินเสียงด้วยซ้ำเราเราเป็นแค่ธาตุอย่างหนึ่งแค่นั้นเองคะ่ะพิจารณาอย่างนี้มันก็เหมือนกับสลายไปอ๋อค่ะอโอ้แต่ที่ทั้งว่าก็ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันกนะคะจะต้องใช้ความรู้เดิม นี่ยังโชคดีนะคะยังจำได้ถ้าไปถามเรื่องอื่นดิฉันอาจจะจำไม่ได้เลยเออก็ต้องบอกว่าวิธีอุปมาอุปไมยของพระพุทธองค์เนี่ยเห็นได้ชัดมาก<ช>เรื่องของดินอากาศน้ำแ ล, แล้วก็ตรงนี้เนี่ยต้องเน้นอีกอย่างหนึ่งว่าเราต้องทำมาก่อน ต, ต้องทำมาก่อน ค, คือถ้าคนที่เขาทำชำนาญแล้วเนี่ยคือเขาจะมีอยู่ก่อนละเวลามนกระทบปุ่มมันก็ไม่มีปัญหา นะคือถ้าเรา ค, คิดว่าเราจะให้ถูกด่าก่อนแล้วฉันค่อยมาตั้งสติค่อยฉันมาดูลมหายใจเฉันค่อยทำเจตให้เหมือนดินเหมือนน้าอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ทนันมันไม่ทนันค่ ะ, คะเพราะว่าเดิฉันเข้าใจว่าเรื่องนี้คุณไม่ได้ใช้ประโยชน์แค่กับกรณีได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจเท่านั้นนะคะใช่สติเนี่ยน่าจะใช้กับเรื่องอื่นได้ด้วยถูกต้องถูกต้องได้กับทุกเรื่องเลยนอกจากเรื่องของควบคุมอารมณ์เวลาที่เขาด่าเขาว่าใช่ไหมอย่างเวลาที่เราคิดงานอย่างเงี้ย เวลาที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินมีเหตุการณ์เร่งรีบนะต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้านะถ้าเรามีสติมีสมาร์ที่ดีเนี่ยการตอบสนองตรงนั้นเนี่ยจะเป็นไปด้วยความสุกุมรอบขอบการตัดสินใจจะดีขึ้นค่ะดิฉันเองมีบางคนนะคะที่มาพูดให้ฟังแล้วเราฟังเราก็ทุกตามเขาเหมือนกันนะคะคือบางทีมีลูกคนเดียวอย่างเงี้ยก็บอกว่าชีวิตเนี้ยคงอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าลูกตายแปลว่าอย่างเงี้ยนะคะ เรามานั่งนึกตามแล้วโอ้โหงั้นต้องฝึกสติไว้เยอะๆเลยเพราะว่ามันกะเกณฑ์ไม่ได้ว่าเหตุการณ์เลวร้ายยิ่งไดใช่แล้วโดยเพิ่งยิ่งคือแหมถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือมันตายแน่ละแต่ไม่รู้ตายก่อนตายหลังอะ่ะ ใ, ในเมื่อในเมื่อความตายจะต้องมีอยู่แล้วเนี่ยเราจะกังวลด้วยเหตุอะไรคือถ้าเรากังวลเขาก็ตายถ้าเราไม่กังวลเขาก็ตายอยู่ที่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาก็จะต้องตายไม่ตายก่อนก็ตายหลังแล้วเราจะกังวลทำไมให้คลายความกังวลดีกว่า ค่ ะ, คะนะคะแต่ว่าวันนี้จริงๆเดี๋ยนก็ไม่ควรพามาไกลถึงความน่ากลัวขนาดนี้เพียงแต่มันเป็นความจริงไม่รู้จะไปหลีกเลี่ยงทําไมแต่ว่าที่ท่านพิบูลพยายามจะบอกพวกเรานั้นเป็นสติกับการที่ได้ยินเสียงที่ไม่พอใจไม่ทราบเวลาที่เหลือนี้ท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมหน่อยไหมคะก่อนจะลาค่ะเออธนาก็ต้องย้ําตรงนี้ว่าเราต้องทํามาก่อนนะต้องทํามาก่อนนะทำให้เป็นจุดยานเครื่องนําไปทําให้เป็นที่ตั้งอาศัยได้นะจึงสามารถที่จะใช้งานได้แน่นอน จำคะดุจยานเครื่องนำไปเป็นที่ตั้งอาศัยได้และวันนี้ก็ต้องกราบมหการขอบพระคุณพระมหาภัยบูรอภิีปุญโญแห่งวัดป่าดอนหายโุดอนธานีไว้ในโอกาสนี้นะคะกราบัหการค่ะค่ะต้นฝั่งที่ครบรค่ะเป็นประโยชน์มากสำหรับเรื่องการทำจิตในยามที่ได้ยินเสียงที่ไม่ชอบใจนั่นเป็นเพราะดิฉันเข้าใจว่าโอกาสเกิดขึ้นกับพวกเราในเรื่องเหล่านี้เนี่ย มีแทบทุกวันบางคนอาจจะมีสภาพแวดล้อมที่บอกอย่าพูดเป็นวันเลยมันมาทุกชั่วโมงเลยเสียงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำจิตของท่านเสมอดินอากาศน้ำและทุกอย่างตามที่ท่านพิบูลได้ถ่ายทอดคำสอนพระศาสดานะคะว่าเราต้องเตรียมตัวล่วงหน้าใครไม่เคยฝึกสติก็ฝึกกันพรุ่งนี้เช้าเริ่มต้นรายการเราก็มาฝึกด้วยกันอีกความเพียรของท่านจะช่วยทาให้สติจเจริญขึ้น ได้อย่างแน่นอนวันนี้รายการสรนสินีสนทนาดิฉันสรนสินนาพงศก็ขอฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เพื่อที่จะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของพวกเราได้ด้วยแล้วก็จะทําให้เราพบกับสิ่งที่ยิ่งกว่าทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงพุทธวสวัสดีค่ะ